ธรรมบทแปลเรื่องขระหถินภาคที่สเรื่องที่44่พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพสาวกของนิกรนชื่อพระรหัินตรัพระธรรมเตสนานิว่ายะถาสังการะธานัสมิง ชิตัสมิงมหาปเทปทุมมังตัทธาเยทะสุจิคันทังมโนโระมังเอวังสังการภูเทสุอันทภูเตปุถุชเนอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกแปลว่าดอกบัวมีกลิ่นดีพึ่งเกิดในกองอยากเยื่อ อั้นบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่ดอกบวัวนั้นพึ่งเป็นที่ชอบใจฉันใดชาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปุถุชนเป็นดั่งกองอยากเยื่อเกิดแล้วย่อมภัยโรตล่วงซึ่งปุถุชนผู้มือทั้งหลายด้วยปัญญาฉันนั้นความพิสดารว่า ในกรุงสาวัตถีได้มีชนผู้เป็นสหายกันสองคนคือสิริคุฏและคระหะถินในสองคนนั้นสิริคุฏเป็นอุบาสกคระหะถินเป็นสาวก่องนิกรนพวกนิกรนย่อมกล่าวกับคราหะถินนั้นหนึ่งเนืองอย่างนี้ว่าการที่ท่าน พูดกับสิริคุดผู้สหายของท่านว่าท่านเข้าไปหาพระส ม, มณโคดมทําไมท่านจะได้อะไรในสำนักของพระส ม, มณโคดมนั้นหดังนี้แล้วกล่าวสอนโดยอาการที่สิริกุดจะเข้ามาหาพวกเราแล้วให้ทยธรรมแก่พวกเราจะไม่ควรรึคารหาหะตินได้ฟังคำของนิครนเหล่านั้นแล้วก็หมั่นไปพูดกับสิริกุด ในที่ที่เขายืนและนั่งแลเป็นตน้นอย่างนี้ว่าสหายประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสัมมาสัมพุเล่าท่านเข้าไปหาพระสัมมาสัมพุนั้นจะได้อะไรการที่ท่านเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วถาวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจะไม่ควรรึสริคุตแม้ฟังคําของพระราหินนั้น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 สิริกุฏท่านกราหตินท่านพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าของท่านย่อมรู้อย่างนี้ดังนี้หรือกราหตินถูกแล้วข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นสิริกุฏถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านไม่บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพเจ้าตลอดการประมาณเท่านี้นำว่าทำกรรมหนักแล้ววันนี้ข้าพเจ้าทราบอนุภาพแห่งญาณของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้ว จงไปเถอดสายจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายตามคำของข้าพเจ้ากราหตินนั้นไปยังสำนักของพวกนิกรนไหวนิกรนเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายสิริกุชายของข้าพเจ้านิมนต์ท่านทั้งหลายเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้พวกนิกรนสิริกุชพูดเองอย่างนั้นหรือคราหินกราหิน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 ให้เปื่อนด้วยเมล็ดข้าวต้มเข้าสวยเนยใสยน้ำอ้อยและขนมในภายนอกแล้วให้ตั้งไว้ข้างหลังเรือนกราดินรีบไปเรือนของสิริคุตนั้นแต่เช้าตรู่แล้วถามว่าสิริคุตท่านจะแจงส ก, การะเพื่อพรผพ้เป็นชาติทั้งหลายแล้วหรือสิริคุต ถูกแล้วสหายเอย๋ยข้าพระเจ้าจัดแจงแล้วกราดินก็สักระนั้นอยู่ที่ไหนเล่าสิริกุตก็ข้าวต้มในตุ่มทั้งหลายนั่นประมาณเท่านี้ข้าสวสวยในตุ่มประมาณเท่านี้เนยสายน้ำอ้อยขนมเป็นต้นในตุ่มประมาณเท่านี้อาัศนะปูไว้แล้วกราดินนั้นกล่าวว่าดีละแล้วก็ไป ในเวลาที่คราหะตินนั้นไปแล้วพวกนิกรนประมาณ500ก็มาสิริกุธออกจากเรือนไหวผัวกนิครนด้วยเป็นจางคาประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้ากองนิครนเหล่านั้นคิดว่าในยะว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้เหตุทุกอย่างต่างโดยเป็นเหตุที่เป็นตดีเป็นต้น อุปตาของพวกท่านบอกแก่ข้าพเจ้าแล้วอย่างนี้ถ้าพวกท่านย่อมรู้เหตุทั้งหมดพวกท่านอย่าเข้าไปสู่เรือนของข้าพเจ้าเพราะเมื่อพวกท่านเข้าไปสู่เรือนของข้าพเจ้าแล้วเข้าต้มไม่มีเลยเข้าสวยเป็นต้นก็ไม่มีถ้าพวกท่านไม่รู้ก็จงเข้าไปเราให้พวกท่านตกลงในหลุมคูดแล้วจะให้ตีนังนี้ครันกิ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 นิมนต์มาข้างนี้เถิดกรับพวกนิกรนเข้าไปแล้วก็บรารภเพื่อจะนั่งบนอาสนะที่เก่าปู่ไว้ครั้นั้นพวกมนุษย์ทั้งหลายกล่าวกับ น, นิกรนเหล่านั้นว่าจงร อ, อก่อนกรับท่านจงอย่านั่งก่อนพวกนิกรนเพราะอะไรหรือพวกมนุษย์การที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนของพวกข้าพเจ้า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 ตกลงในหลุมแล้วนิกรนที่เหลือก็จะไม่นั่งในนี้แล้วจึงได้คิดแผนนี้ขึ้นนิกรนเหล่านั้นรับว่าดีแล้วจึงคิดว่าการที่พวกเราทำตามถ้อยคาที่คนพวกนี้บอกแล้วจึงสมควรตอนพวกนิกรนตกลหลุมคูดครังนั้นนิกรนทั้งหมดได้ยืนอยู่ใกล้อาสนะ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 ที่ตั้งไว้บนเชือกพลัดตกแล้วพวกนิกรนหัวขำมำตกลงในหลุมเมื่อพวกนิกรนนั้นตกลงแล้วสิริคุตจึงปิดประตูให้เอาท่อนไม้ตีพวกนิกรนที่ตะกายขึ้นแล้วขึ้นแล้วโดยพูดว่าเพราะเหตุไรพวกท่านจึงไม่รู้เหตุที่บป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วบอกว่า การทำเท่านี้จะสมควรแก่พวกนิกรเหล่านั้นหนังนี้แล้วจึงให้เปิดประตูพวกนิกรนเหล่านั้นออกไ ป, ปร่ารบเพื่อจะหนีก็ในทางไปแห่งพวกนิกรนนั้นสิริคุตให้คนทำพื้นที่อันบริกรรมด้วยปูนขาวไว้ให้ลื่นสิริคุตให้คนโบยซ้ำพวกนิกรนนั้น ผู้ยืนอยู่ไม่ได้ในที่นั้นล้มหลงแล้วล้มหลงแล้วจึงส่งไปด้วยคาว่าการทําเท่านี้สมควรแก่ท่านทั้งหลายนิกรเหล่านั้นกลร่ำกรนอยู่ว่าพวกเราอันท่านให้ชิบหายแล้วพวกเราอันท่านให้ชิบหายแล้วนิกรเหล่านั้นจึงได้ไปสู่ประตูรเรือนของอุปตากแล้วตอน คาระหาถินฟ้องสิริกุตแกพระราชากรหาหะถินเห็นประการอันแปลกนั้นของนิโครนเหล่านั้นแล้วก็โกรธคิดว่าเราอันสิริกุตให้ชิบหมายแล้วมันให้โบยพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราผู้เป็นบุญยเกษตผู้ได้นามว่าสามารถเพื่อจะให้เทวโลกทั้งหแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้เยืดมือ บอกว่าอยู่ตามความพอใจให้ถึงความชิพหายแล้วกระหัินจึงได้ไปยังราชตระกูลกราบทูลให้พระราชาทรงปรับศีนไหมแก่สิริกุตนั้นหนึ่งพันกหาปณนะขณะนั้นพระราชาทรงส่งพระราชสารไปแก่สิริกุตนั้นสิริกุตนั้นไปถวายบังคมพระราชาแล้วกราบทูลว่า พระชกาพระองค์ทรงสอบสวนแล้วปรับสินหมายได้ยังไม่ได้ทรงสอบสวนอย่าเพิ่งปรับพระราชาเราสอบสวนดูแล้วจึงจะปรับสิริกุตดีละพระชก้าถ้าอย่างนั้นจงปรับเธอพระราชาถ้าอย่างนั้นเธอจงพูดไปสิริกุตกราบทูลความเป็นไปนั้นทั้งหมด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 ถ้าการปรับสินไหมในเพราะเหตุนี้ควรแล้วขอจงปรับเติดพระราชาทอดพระเนตรกระหะทินแล้วตรัสถามว่าในยะว่าสริกุธพูดอย่างนี้จริงอย่างนั้นรึกระหะทินจริงพระช้าค่าพระราชาเธอคบกับพวกนิกรณ ผู้ไม่รู้แม้เหตุเพียงเท่านี้เที่ยวไปอยู่ด้วยคิดว่าเป็นครูบอกแกสาวกของพระตถาคตว่าย่อมรู้ทุกอย่างเพราะเหตุไรศินไหม่ที่เจ้าจะยกขึ้นปรับจงมีแกเจ้าเองเถิดกรหัดินนั้นแลอันพระราชาทรงปรับสินใหม่แล้วบวกนิกรณผู้เข้าถึงสกุลของกรหัดินนั้นนั่นแล อันสิริกุตโบยไล่ออกไปแล้วด้วยประการชนีตอนคราหัดินเตรียมแก้แค้นสิริกุตคราหัดินนั้นโกรธสิริกุตนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นไม่พูดกับด้วยสิริกุตเป็นเวลาประมาณกึ่งเดือนคิดว่าการเที่ยวไปโดยอาการอย่างนี้ไม่กวนแก่เราการที่เราทำความชิบหาย แม้แ่พวกภิกษุผู้เข้าถึงสกุลของสิริกุฒนั้นย่อมควรดังนี้แล้วจึงได้เข้าไปหาสิริกุฒเรียกเก่าแล้วได้ถามว่าธรรมดาญาติและสหายทั้งหลายย่อมมีการทะเลาะกันบ้างวิวาทกันบ้างท่านไม่พูดอะไรอะไรเพราะเหตุใรท่านจึงทำอย่างนั้นสิริกุฒสหายข้าพเจ้าไม่พูด เพราะท่านไม่พูดกับข้าพเจ้ากคำใดอันข้าพเจ้าทำแล้วกคำนั้นจงเป็นอันทำแล้วเถิดเราทั้งสองจะไม่ทำลายไม่ตรีกันจำเดิมแต่กันนั้นายทั้งสองย่อมยืนย่อมนั่งในที่อย่างเดียวกันต่อมาในการวันหนึ่งสิริคุตกล่าวกับคารหตินว่าประโยชน์อะไรของท่านด้วยพวกนิกรณเล่า ท่านเข้าไปหาพวกนิกรนเหล่านั้นจะได้อะไรการเข้าไปหาพระศาสดาของเราก็ดีการตบายทานแก่พระผู้เป็นชาติทั้งหลายก็ดีจะไม่ควรแก่ท่านรึอแม้กระหตินั้นก็เฝ้าหวังอยู่ซึ่งเหตุนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นคำพูดของสิริกุตนั้นจึงเป็นเหมือนเกาถูกที่ขันแม้กระหัตินั้นถามสิริกุฏว่า พระศาสดาของท่านย่อมรู้อะไรสิริกุตท่านผู้เจริญท่านอย่าพูดอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าสิ่งที่พระศาสดาของเราไม่รู้ไม่มีพระศาสดาของเรานั้นย่อมรู้เหตุทั้งหมดต่างโดยเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นย่อมกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยาการส6บอย่างคาราห์ินข้าพเจ้าไม่ทราบอย่างนั้นเพราะเหตุอะไร ท่านจึงไม่บอกแก่ข้าพเจ้าตลอดการประมาณเท่านี้ถ้ากระนั้นท่านจงไปทูลนิมนต์พระศัสดาเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะให้พระองค์เสวยท่านจงกราบทูลเพื่อทรงรับภิกษุของข้าพเจ้าพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อรูปสิริคุดจึงเข้าไปเฝ้าพระศัสดาถวายบังคม แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการาหัดินสายของข้าพระองค์สั่งให้ทูลนิมนต์พระองค์ทราบว่าขอพระองค์ทรงรับภิกษุของคระหัดินนั้นพร้อมด้วยภิกษุห้ารรูปในวันพรุ่งนี้ก็ในวันก่อนแลกรรมชื่อนี้หันข้าพระองค์ทำแล้วแก่พวกนิกรผู้เข้าถึงสกุลของคระหัดินนั้น ถ้าพระองค์ย่อมไม่ทราบแม้การทำตอบแก่กรรมอันข้าพระองค์ทำแล้วข้าพระองค์ไม่ทราบแม้ความที่คราหะตินนั้นใครจะถวายพิษาแก่พระองค์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์พระองค์ทรงพิจารณาแล้วหากสมควรจงรับหากไม่สมควรจงอย่ารับดังนี้พระาศาสดาทรงพิจารณาว่าคาราหะตินนั้น ใครจะถวายแก่เราหรือหนอแหลได้ทรงเห็นว่ากณะหนั้นให้คนขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือนสองหลังแล้วให้คนนำไม้ตะเกียนประมาณ80สิบเล่มเกวียนจุดไฟแล้วต้องการจะให้เราตกลงในหลุมฐานเปลิงแล้วข่มกี่และทรงพิจารณาต่อไปอีกว่าเหตุในการไปที่นั้น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 จะไปนั่งอย่างนั้นเหมือนกันมหาชนจะประชุมกันเราจะทำอนุโมทนาด้วยคาถาสองคาถาในสมาคมนั้นในเวลาจบอนุโมทนาความตรัสรู้จะมีแก่สัตแปดหมื่นสี่พันสิริคุธและการหัตินจะเป็นโสดาบันจะวานกองทรัพย์ของตนของตนในาศาสนา การที่เราไปเพราะอาศัยกุลบุตรนี้ย่อมควรหนังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงรับคำนิมนต์นั้นสิริกคุธทราบการรับของพระาศาสดาแล้วจึงบอกแก่คาราหะถินแล้วบอกว่าท่านจงทำสการะแก่พระโลกเชษเติดตอนครหาหทถินเตรียมรับพระาศาสดา กระตินนั้นคิดว่าบัด น, นี้เรารู้กิจที่ควรทำแก่พระสมาโคดมนั้นจึงให้ขุดหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเรือนสองหลังให้นำไม้ตะเกียนมาประมาณ80สบเล่มเกวียนให้จุดไฟสุมตลอดคืนยันรุ่งแล้วให้ทำกองถ่านเพลิงไม้ตะเกียนไว้วางไม้เรียงบนปากหลุม ให้ปิดด้วยเสือลำแพนให้ทาด้วยโคไม่ลาดท่อนไม้ผูกไว้โดยข้างหนึ่งแล้วให้ทำทางเป็นที่ไปสำคัญอยู่ว่าในเวลาที่พวกสมณะเหยียบแล้วเหยียบแล้วอย่างนี้เมื่อ่อนไม้ท่างหลายหักแล้วพวกสมณะจะกลิ้งตกลงไปในหลุมทานเพลิงและให้ตั้งตุ่มไว้ในภาค แห่งหลังเรือนโดยวิธีที่สิริคุตตั้งแล้วเหมือนกันให้ปู่แม้อาสนะตั้งหลายไว้อย่างนั้นเหมือนกันสิริคุตไปเรือนของกราดินนั้นแต่เช้าตรู่กล่าวว่าสหายท่านเตรียมการทำสการะแล้วหรือกราดินถูกแล้วสายฮสิริคุตก็สัการะนั้นอยู่ที่ไหนกราดินตอบว่า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 ย่อมประชุมกันด้วยมีความคิดว่าพวกเราจะเห็นประการอันแปลกของพระสมณโคดมฝ่ายพวกสั ม, มาธิฏิย่อมประชุมกันโดยคิดว่าวันนี้พระาศาสดาจะแสดงธรรมเทศนาอย่างใหญ่พวกเราจะกำหนดพุทธวิสัยพุทธลีลาอยงนี้ในวันรุ่งขึ้นพระาศาสดา ได้เสด็จไปประตูรเรือนของคาราหะตินกับภิกษุห้ารอรูปคาราหะตินนั้นออกจากเรือนแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคับประดิษฐ์ยืนประกองอัญเชลีอยู่เบื้องประพักด้วยคิดว่าพระชคลาอุปตากของพระองค์บอกแก่ข้าพระองค์อย่างนี้ว่าพระองค์ย่อมทราบเหตุทุกอย่างต่างโดยเหตุเป็นอดีตเป็นต้น ย่อมทรงกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการส6บกอย่างได้ถ้าพระองค์ทรงทราบอยู่ขออย่าเสด็จเข้าไปสู่เรือนของข้าพระองค์เพราะเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วข้าอยากขู่ก็ไม่มีเลยพัดอาหารเป็นต้นก็ไม่มีก็แลข้าพระองค์จะยังท่านทั้งหมดให้ตกลงในหลุมฐานเปลิงแล้วขมกีกระตินกรันคิดอย่างนั้นแล้ว จึงรับบาทของพระศัสดากรามทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสด็จมาทางนี้ดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลต่อไปว่าพระชก้าผู้มาสู่เรือนของข้าพระองค์รู้ธรรมเนียมแล้วมาจึงสมควรพระศัสดากราดินก็เราควรทำอย่างไรเล่ากราดินก็ในเวลาที่ภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่ง เข้าไปข้างหน้านั่งแล้วภิกษุอื่นมาในภายหลังจึงควรได้ยินว่ากราติณนั้นได้มีความปริบิตกอย่างนี้ว่าภิกษุที่เหลือเห็นภิกษุกู้ไปข้างหน้าตกลงในหลุมต่านเปลืองแล้วจะไม่มาเราจะให้ภิกษุตกลงทีแล้วรูปที่แล้วรูปเท่านั้นแล้ว ข, มข่มกีพระศาสดาจึงตรัสว่า ดีแล้วแล้วเสด็จเข้าไปแต่พระองค์เดียวคณาหินถึงหลุมฐานเปลืองแล้วถอยออกไปยืนอยู่ราบทูนว่าขอพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเถอพระชาค่าตอนคณะหินเลื่อมใสพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระศาสดาทรงเยียดประบาทลงเหนือหลุมฐานเปลิง เสื้อลำแพนหายไปแล้วดอกบัวประมาณเท่าล้อหุดขึ้นทำลายหลุมถ่านเปล่งพระศาสดาทรงเหยียบกลีบบัวเสด็จไปประทับนั่งบนพุทธอาฏที่เก่าปูลาดไว้แม่ภิกษุทั้งหลายก็ไปนั่งบนอาสนะอย่างนั้นเหมือนกันความเรัาร้อนได้ตั้งขึ้นแต่กายของขระคดินแล้ว เขาไปโดยเร็วเข้าไปหาสิริกุดแล้วบอกว่านายขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสิริกุฏนี่มันเรื่องอะไรกันกราดินก็ข้าวยากูหรือพัดเป็นต้นเพื่อพิสษุ5 0ห้าร้อยรูปไม่มีในเรือนของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าจะทำอย่างไรเนาะสิริกุตก็ท่านทำอะไรไว้กราดินข้าพเจ้าให้คนทำหลุมใหญ่ไว้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 ตุ่มข้าวยากูเท่านี้ตุ่มพัดเป็นเท่านี้ไม่ใช่หรือกระดาดินข้อนั้นเป็นเท็จนายตุ่มเปล่าทั้งนั้นสรีกุตช่างเถอะท่านจงไปจงตรวจดูข้าวยากูเป็นต้นในตุ่มเหล่านั้นอีกในขณะนั้นนั่นเองข้าวยากูในตุ่มทั้งหลายอันใดอันกระราดินนั้นบอกแล้วตุ่มเหล่านั้นก็เต็มด้วยข้าวยากูแล้ว เป็นต้นในตุ่มเราใดอันกรหาหตินบอกแล้วตุ่มเหล่านั้นได้เต็มแล้วด้วยพัดเป็นต้นทีเดียวเพราะได้เห็นสมบัตินั้นสรีระของกรหาหตินเต็มด้วยบีติและปราโมทแล้วเกิดจิตเลื่อมใสแล้วเขาอังคาดพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยความเคารพและใกล้จะให้ทรงรำอนุโมทนา จึงรับบาตรองพระศาสดาผู้ทรงทำพัฒกิจเสร็จแล้วตอนสัตว์ไม่รู้คุณพระศาสนาเพราะไร้ปัญญาพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาจึงตรัสว่าสัตว์เหล่านี้ไม่รู้คุณแห่งสาวกของเราและพระพุทธศาสนาเพราะความไม่มีปัญญาจาักสุผู้ปราศจากปัญญาจาักสุ ชื่อว่าผู้มืดบอดผู้มีปัญญาชื่อว่าผู้มีจักสุหนังนี้แลาจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าดอกบัวมีกลิ่นดีพึ่งเกิดในกองอยากเยื่อทั้นบุคคลทิ้งแล้วใกล้ขนต่างใหญ่ดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจฉันใดในหมู่ปุถุชนผู้เกิด เป็นดังกองอยากเยื่อสาวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมภัยโรดล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายด้วยปัญญาฉะนั้นบาลีว่ายะถาสังการทานสมิงอุจชิตตัตสมิงมหาปเถปทุมังตัถธาเยตะสุจิคันทังมโนรมัง เอวังสังการะปูเตสุอันทัปูเตปุทุชนออติโรจติปัญญายะสำ ม, มาสัมพุทธสาวโกนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสังการะทาัสมิงแปลว่าในกองอยากเยื่อคือในที่ทิ้งอยากเยื่ออธิบายว่าในกองอยากเยื่อคือกองขยะ คำว่าอุจิตัสมิงมหาปเทแปล ว, ว่าอันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่คืออันบุคคลเททิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่คำว่าสุจิคันตังแปล ว, ว่ามีกลิ่นดีคือมีกลิ่นหอมคำว่ามโนระมังแปล ว, ว่าเป็นที่ชอบใจมีวิเคราะห์ว่า ใจย่อมยินดีในดอกบัวนี้เพราะเหตุ น, นั้นดอกบัวนั้นจึงชื่อว่าเป็นที่รื่นรมแห่งใจคำว่าสังการับผูเตสุแปลว่าในหมู่ปุตุชนผู้เกิดเป็นดั่งกองกองอยากเยื่อคือเป็นดั่งอยากเยื่อคำว่าปุทุชเนแปลว่าซึ่งปุตุชนหมายความว่า ซึ่งโลกิยะมาชนทั้งหลายผู้มีชื่ออันได้แล้วอย่างนั้นเพราะยังกิเลสหนาให้เกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรมนี้ว่าดอกบัวมีกลิ่นดีพึ่งเกิดในกองอยากเยื่ออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่แม้ไม่สะอาดน่าเกลียดปฏิกูลดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจ คือพึงเป็นกองหน้าใกร้พึงใจได้แก่พึงเป็นของควรประดิษฐานไว้เหนือกระหมอ่อมแห่งอิสระชนทั้งหลายมีพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาเป็นต้นชื่อฉันใดชาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือภิกษุผู้ขี่นาศพก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เกิดในระหว่างมหาชนผู้ไร้ปัญญา ผู้ไม่มีจากสุกีณาศพเหล่านั้นเห็นโทษในกรรมทั้งหลายและเป็นอนิสงในเนกรรมด้วยกำลังแห่งปัญญาของตนออกบวชแล้วก็ยังไผโรตคืองามเกินหมู่ปุถุชนผู้เป็นดังกองอยากเยื่อแม้ด้วยคุณคือบรรพชาแม้ยกตนขึ้นสู่ศีลสมาธิปัญญาวิมุต วิมุตติยานรัตสนะยิ่งกว่าคุณสักว่าการบรรภชานั้นก็ย่อมไยโรธคืองามล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดตั้งหลายตอนครห่าตินกับสิริกุธบรรลุโสดาปฏิผลในเวลาจบเทศนาความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแกสัตว์แปด0มืนสี่ัน กระาทตินและสีรุคุธบรรลุโสดาบันแล้วสองคนนั้นวานทรัพ์ของตนทั้งหมดลงในพระพุทธศาสนาแล้วพระศาสดาได้เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะไปสู่วิหารปิกษุตลาอ ย, ย่างกาตาให้ตั้งขึ้นในโรงธรรมเวลาเย็นว่าน่าเลื่อมใสจริงธรรมดาคุณของพระพุทธเจ้าน่าอาศัศจรรย์ ดอกบัวผุดขึ้นทำลายกองฐานตะเกียนชื่อเห็นป่านนั้นแล้วพระศ า, ศ, าศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสตามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรเนาแลเมื่อภิกษุทั้งหลายกลับตูนว่าด้วยคาถาชื่อนี้แล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ดอกบัวผุดขึ้น แต่กองฐานเพลิงเพื่อเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าในการบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์เพราะในการกรดอกบัวเหล่านี้ก็ผุดขึ้นเพื่อเราแม้ผู้เป็นโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญชวนแห่งยานพระผู้มีพระภาคเหนภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนว่าก็ในการไรพระเจ้าข้าขอพระองค์จงตรัสบอกแก พวกข้าพเาทั้งหลายนี่นี้แล้วจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมาเล่าตรัสทีรังคาราชาดกด้วยคำที่เป็นขาถาว่าเรามีเท้าขึ้นบนมีสีรัะลงตำ่ำจะตกสู่เหวโดยแท้เราจะไม่ทำกรรมอันไม่ใช่ของพระอริยะเชิญท่านรับก้อนข้าวเถิดเ น, นี่นีแหละ เรื่องคาราฮาทิน